เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในพระธรรมสอนในพระอริยสงฆ์สาวกวันนี้เป็นวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านได้มาปฏิบัติ คารกิจที่พระบรมศาสดาพระอาหารหันต์าสมมาสังพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนเพื่อประโยชน์สุขเพื่อความหลุดพน้นจากความทุกข์ทั้งปวงการที่เรามาวัดกันอย่างสม่งเสมอก็เพราะเรามีศรัทธา ความเชื่อมีภาษาทความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระที่พึ่งที่แท้จริงของเราด้วยพระคุณอันประเสริฐคือพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังคคุณพระพุทธคุณนั้นก็ประกอบด้วยพระบริสุ์ที่คุณ พระมหาการุณาที่คุณและพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณนี้ก็คือความบริสุทธิ์สะอาดของพระไทยของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงพฤติปฏิบัติชำระกรรมจัดกิเลส เ, เครื่องเศร้าหมองคือความโลภ ความโกรธความหลงไปจนหมดสิ้นทำให้พระทัยของพระองค์นั้นสาดบริสุทธิ์เต็มเปี่ยมไปด้วยบารมสุขปรมังสุขขังไม่มีเชื้อของภพชาติหลงเหลืออยู่อีกทำให้ไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิด ไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายไปพัดพลาจากกันทรงหลุดพ้นแล้วจากความทุกข์ทั้งปวงทรงได้ถึงความสุขที่ประเสริฐเลิศโลกที่สุดไปตลอดอนันตการหลังจากนั้นแล้วพว่อองค์ก็ทรงเกิดความสงสารเกิดความกรลยาณาทรงเห็นว่าสัตว์โลกยัง ต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องทุกกับการเกิดการแกร่การเจ็บการตายการพัดพลาดจากกาันอีกเป็นมีเป็นจํานวนมากและจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอย่างไม่มีที่สุดสิน้นถ้าไม่มีใครมาชี้ทางออกให้ถ้าไม่มีใครมาสั่งสอน ถ้าไม่มีคนที่รู้ทางเช่นพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนแล้วสัตว์โลกเหล่านั้นก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่รู้จักจบจักสิน้นต้องแบกทุกข์ไปอย่างแสนสาหัสน้ำตาที่สัตว์โลกต้องหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาตินั้นถ้าเอามารวมกันแล้ว จะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรแสดงว่าภพชาติของสัตว์โลกที่เวียนไหวาตายเกิดนั้นมีเป็นจำนวนมากนับไม่ถ้วนจนสามารถรวบรวมน้ำตาของของแต่ละภพแต่ละชาติมารวมกันแล้วมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีก คิดดูชาตินี้เราลอะเราร้องห่มร้องไห้หลั่งน้ําตากันถึงสักสุ่มหนึ่งไหมแล้วเมื่อไหร่มันถึงจะได้มากกว่าน้ําในมหาสมุทรลองคิดจํานวนของพบชาติที่เกิดแก่เจ็บตายดูสิว่ามากมายขนาดไหนนั่นแหละคือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราที่ผ่านมาแล้วในอดีตเต็มไปด้วยความทุกข์ความเสีย อ, อกเสียใจ แต่พวกเราก็ไม่ไม่เข็ดไม่จำกันพอหายจากร้องหองร้องไห้ก็วิ่งก็หาความทุกข์อีกพอสูญเสียคนนั้นคนนี้ไปพอเดี๋ยวหายจากความเศร้าโศกเสียใจก็ไปหาคนใหม่มาอีกหาสามีใหม่หาภรรยาใหม่หาลูกใหม่แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาร้องหงอร้องไห้กันใหม่อีก ก็ทําทกันอยู่อย่างนี้มาอยู่นับไม่ถ้วนแล้วถ้ามีสติสบ้างก็คงจะก็คงจะรู้คงจะจําได้แต่ชีวิตของเรานะั้นไม่ค่อยมีสติกันถูกความหลงครอบงำอยู่เลยทําไม่ให้เห็นความทุกข์ที่เราวิ่งเข้าหาที่เราแบกกันอยู่ก็เลยต้องทุกไปอยู่เรื่อยๆ นี่เป็นสาเหตุที่ทาให้พระพุทธเจ้าทรงเกิดความกรุณาสงสารในสัตว์โลกจึงได้อุทิศชีวิตของพระองค์ที่มีเหลือหลังจากที่ได้ทรงตัดสู่เพื่อการโปรดสัตว์โลกสั่งสอนสัตว์โลกให้ได้เห็นแสงสว่างแห่งธรรม เพื่อจะได้นำพาไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดตลอดเวลา45พันศาพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงกระทำภารกิจอย่างอื่นเลยทรงสั่งสอนสัตว์โลกอยู่เป็นภารกิจสำคัญที่สุดในตอนบ่ายก็ทรงสั่งสอน ศรัทธาญาติโยในตอนค่ำก็สั่งสอนภิกษุสา ม, มเณรในตอนดึกก็สั่งสอนเทวดาในตอนก่อนจะสว่างก็ทรงเล็งญาณดูว่าจะทรงไปโปรดผู้ใดดีในวันนั้นพ อ, อสว่างก็ทรงออกบินทบาตแล้วก็ไปโปรด บุคคลที่ทรงได้เล่งยานไว้ <c oughs> นี่คือพุทธกิจห้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนำเนินได้ทรงปฏิบัติทรงบำเพ็ญอยู่ทุกทุกวันหลังจากที่ได้ทรงตัดสรตวพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ไม่ได้ทําภารกิจอย่างอื่นเพื่อพระองค์เองเลยทําเพื่อสัตว์โลกโดยถ่ายเดียว นี่แหละถึงเรียกว่าเป็นภาพมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งไม่มีใครที่จะสามารถเสียสละทำสิ่งที่พวกพุทธเจ้าได้ทรงทำได้เลยพวกเราเน้นเวลาจะทำอะไรกันนิดกันหน่อยก็รอดูผลประโยชน์ที่จะได้รับแล้วถ้าไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรก็จะไม่อยากทำกัน เพราะใจของเรายัางหนาแน่นด้วยกิเลสตัณหาความโลภความอยากทาอะไรก็อยากจะได้ผลตอบแทนแต่พระทยของพระพุทธเจ้านั้นทรงปราศจากความโลภความอยากต่างๆทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทําด้วยความเมตตาการุณาอย่างจริงๆอย่างแท้จริงนี่แหละคือความหมายของพระมาหาการุณาที่กุลของพระองค์ จึงได้ช่วยให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนับเป็นจำนวนไม่ท้วนมีมากมายกายกองตั้งแต่ทรงประกาศครั้งแรกก็มีผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้บรรลุพระอริยธรรมขั้นต่างๆไปตั้งแต่ครั้งแรกเลย ทั้งแรกที่ทรงแสดงวธรรมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีก็มีพระอัญญาณโกนทัญญะหนึ่งในพระปัญจวัคคีได้บรรลุอริยธรรมเบื้องต้นขั้นที่หนึ่งได้บรรลุบรรลุเป็นพระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วจะไม่ดับถ้ามีการเกิดก็จะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดานี่คือแสงสว่างแห่งธรรมที่พระอัญญาโกนทัญญาได้ได้เห็นทําให้ท่านปล่อยวางความเกิดความดับได้ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะรู้ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็จะต้องดับไปสักวันหนึ่งถ้าไปหลงยึดติดก็จะเกิดความอยากให้อยู่ไปนานๆแล้วก็จะต้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจเมื่อสิ่งที่ตนอยากให้อยู่กับตนไปนานๆนั้นต้องจากกันไปนี่คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ในระยะในขั้นที่หนึ่งหลังจากที่ทรงแสดง ทำพระเทศนาสอนพระปัญจวคีอีกครั้งสองครั้งก็ทำให้พระปัญจวคีทั้งห้าได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้านหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงให้พระปัญจวคีไปช่วยเผยแผ่สั่งสอนต่อพระองค์ก็สั่งสอนด้วยจึงทำให้ปรากฏมีพระอาหารหันต์ขึ้นมา ถึง 1,250 รูปเ ป, เป็นอย่างน้อยในวันมาคบูชาคือในวันเพนเดือนสาเจ็ดเดือนหลังจากที่พระองค์ได้ประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกในวันเพนเดือน8 <c oughs> พอวันเพนเดือนสามของปีต่อมา <c oughs> ก็มีพระอารหันต์ 1,250 รูป ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายกันพระอาหารหันต์ทั้ง1250รูปนี้ก็เป็นเอหิภิขุคือพระบรมศาสดาเป็นผู้ทำการอุปสมบทให้ด้วยการเปล่งวาชาว่าเอหิภิขุแปลว่าจงมาเป็นภิกษุเถิดสมัยก่อนนั้นบวชง่ายไม่ต้องมีพิธีมากโกนหัวนุ่ง นุ่งห่มเหลืองไปกราบขอพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัส บ, บอกว่าจงมาเป็นภิกษุธเถอดก็ถือว่าได้เป็นพระแล้วได้บวชแล้วแต่หลังจากนั้นก็มีคนที่มีศรัทธาอยากจะบวชเป็นจำนวนมากและก็อยู่กันคนละทิศคนละทางอยู่ห่างไกลจากาพระบรมศาสดาเวลาจะบวชแต่ละครั้งก็ต้องเดินทางมา ให้พระบรมศาสดาบวชให้ก็กลายเป็นภาระทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ที่จะบวชและผู้ที่จะให้บวชพระพุทธเจ้าจึงได้มอบหมายการบวชให้กับสงต่อไปคือให้มีพระภิกษุสิบรูปด้วยกันทาพิธีบวชให้ถ้าอยู่ในที่กันดาลหาพระภิกษุยาก ก็ให้อนุโลมห้ารูปให้ใช้เพียงห้ารูปก็บวชพระภิกษุได้นี่ก็เป็นธรรมเนียมที่ได้ไปปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้นี่คือความหมายของความของพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าทำให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากกองทุกข์เป็นจำนวนมากและ ยังเป็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ยังมีผู้ที่มีจิตศรัทธาน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปศึกษาและไปปฏิบัติจนบรรลุเห็นธรรมกันก็ยังมีอยู่เป็นจำนวนมากด้วยกันพวกเราจึงไม่ควรที่จะท้อแท้อย่าไปคิดว่าศาสนานี้หมดยุคหมดสมัยไปแล้ว ไม่มีประสิทธิภาพที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับในสมัยพระพุทธการอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะหนึ่งในธรรมคุณก็คืออากาลิโกทำเป็นธรรมะเป็นอาการลิโกไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่เสื่อมไปกับการกับเวลาเหมือนกับสิ่งอื่นๆเช่นอาหาร หรือยาที่เราซื้อมารับประทานจะมีการเขียนฉลากไว้ว่าหมดอายุในวันที่เท่านั้นเท่านั้นแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีวันหมดอายุตราบใดมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน้อมนำเอามาปฏิบัติตามนั้นก็ยังจะได้รับผลจากการปฏิบัติอย่างแน่นอน พระพุทธคุณประการที่สามก็คือพระปัญญาคุณด้วยพระปัญญาคุณนี่แหละที่ทำให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะพระองค์ทรงมีพระปัญญารู้จักแยกแยะสัตว์โลกว่าควรที่จะสอนธรรมะหนักเบามากน้อยเพียงไร พราะสัตว์โลกก็เปรียบเหมือนกับคนไข้ที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เหมือนกันบางคนก็เจ็บหนักบางคนก็เจ็บไม่หนักหมอที่จะรักษาคนไข้ก็ต้องรู้อาการของคนไข้ว่าควรจะรักษาวิธีใดและรักษาด้วยยาชนิดใดมากน้อยเพียงไรถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว ถ้ารักษาไม่ถูกวิธีคนไข้แทนที่จะหายอาจจะแย่กว่าเดิมหรืออาจจะตายไปก็ได้คนที่ทํางานโรงพยาบาลเขารู้กันแต่เขาพูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดความตื่นตระหนกขึ้นมาจะทำให้คนไม่กล้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล แต่เชื่อได้ว่ามีการรักษาที่ผิดพลาดมีการวิเคราะห์โรคภัยที่ผิดให้ยาผิดให้การรักษาผิดก็ทำให้คนไข้ไม่หายจากโรคหรือตายไปได้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นหมอแบบนั้นพระพุทธเจ้าทรงเป็นหมอที่ฉลาดมากทรงรู้ถึงโรคของของผู้ที่มาศึกษา เวลาทรงแสดงธรรมนั้นจะทรงแสดงธรรมที่ไม่เหมือนกันกับเวลามีผู้ฟังมาฟังกลุ่มหนึ่งก็จะแสดงไปในระดับหนึ่งมีผู้ฟังมาอีกกลุ่มหนึ่งก็จะแสดงไปอีกระดับหนึ่งเพราะว่าธรรมะนั้นมีหลายขั้นด้วยกันเหมือนกับโรงเรียนมีหลายชั้นมีหลายระดับนักเรียนที่มาเข้าเรียนก็มีความรู้ ความสามารถแตกต่างกันถ้าอยู่ในชั้นอนุบาลก็ต้องสอนชั้นอนุบาลไปถ้าเป็นอยู่ในระดับปริญญาก็ต้องสอนในระดับปริญญามิฉะนั้นจะไม่เกิดประโยชน์ถ้าเอาวิชาความรู้ระดับปริญญามาสอนให้กับเด็กอนุบาลเด็กอนุบาลก็จะไม่เข้าใจก็จะไม่สามารถเรียนรู้ได้เพราะสูงเกินไป ถ้าเอาความรู้ระดับอนุบาลไปสอนระดับปริญญาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะคนที่อยู่ในระดับปริญญานั้นก็เรียนผ่านมาแล้วความรู้ในระดับอนุบาลดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องมีการแยกแยะคาสอนให้เหมาะสมกับผู้ที่มาศึกษานี่คือภาพปัญญาที่คุณ รู้ว่าควรที่จะสอนมากน้อยเพียงไรหนักเบาเพียงไรบางครั้งเพียงพูดคำสองคำเท่านั้นผู้ฟังก็บรรลุเป็นพระอารหันได้เลยบางครั้งก็ต้องสอนอยู่เรื่อยพูดอยู่เรื่อยเพราะคนฟังไม่ฉลาดพอต้องสอนไปเรื่อยสอนไปบ่อยๆจนกว่าเขาจะเกิด ความเข้าใจขึ้นมาพระองค์จึงทรงแยกแยกนักศึกษาที่มาศึกษากับพระองค์เป็นบัวสี่เหล่าพวกที่สามารถที่จะรู้เร็วฟังเพียงครั้งสองครั้งก็บรรลุได้เลยพวกนี้เรียกว่าเป็นพวกที่อยู่เหนือน้ำแล้วบัวเหนือน้ำแล้วเพียงแต่รอให้แสงตะวันมาสัมผัสก็จะบานออกมา นี่เป็นพวกประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองนี่ก็คือขึ้นมาโพจากน้ำแล้วแต่ยังบานไม่ได้ถึงแม้จะได้สัมผัสกับแสงพระอาทิตย์ต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนถึงจะบานออกมาพวกนี้ก็เป็นพวกที่ฟังหนสองหนแล้วยังบรรลุไม่ได้ต้องฟังแล้วเอากลับไปปฏิบัติแล้วกลับมาฟังอีกสักระยะหนึ่ง ก็จะบรรลุได้พวกที่สามนี้ยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำอยู่เกือบจะโผล่แล้วแต่ยังอยู่ใต้น้ำอยู่พวกนี้จะต้องใช้เวลามากหน่อยกว่าที่จะโผล่ขึ้นมาและบานได้คนพวกนี้ก็เช่นเดียวกันพวกนี้ต้องสอนไปเรื่อยๆสอนเป็นเวลานา น, านพอสมควรอาจจะไม่ได้บรรลุในชาตินี้ก็ได้ แต่อย่างน้อยก็จะได้สะสมปัญญาบารมีไว้สำหรับในภพชาติต่อไปเมื่อได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหรือได้กลับมาเกิดแล้วได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนใหม่ก็จะสามารถต่อยอดไปได้ก็จะสามารถปฏิบัติไปได้อย่างรวดเร็วพวกนี้เรียกว่าพวกที่สาม ส่วนพวกสุดท้ายคือบัวที่อยู่ก้นบ่อบัวที่จะไม่มีโอกาสที่จะเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาได้เพราะจะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปพวกนี้ก็เป็นเหมือนกับพวกคนหูหนวกตาบอดทางด้านปัญญาเป็นพวกที่ไม่เชื่อนรกเชื่อสวรรค์ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อกำรรไม่เชื่อพระธรรมคำสอนไม่เข้าวัด ชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวกลางคืนชอบเสพสรายาเมาชอบไหว้ของที่ไม่มีสาระต่างๆไหว้เหลียนไหว้วัตถุต่างๆทำพิธีสะดาะเคราะห์ต่างๆหาหมอดูอย่างนี้เรียกว่าเป็นพวกมืดบอดพวกนี้จะไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการเวีไหว้าตายเกิดไปได้ เพราะไม่ได้สัมผัสกับแสงสว่างแห่งธรรมนั่นเองเวลาได้ยินได้ฟังธรรมก็ไม่ได้นำเอาไปปฏิบัติเวลาฟังก็ไม่ได้ตั้งใจฟังเวลาพระเทศก็นั่งคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องจะไปเที่ยวที่นั่นจะไปกินที่นี่จะไปหาเงินที่นั่นหาเงินที่นี่ตรงนี้ฟังเทศไปจนวันตาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับ ทับพีในหม้อแกงอยู่ในหม้อแกงนานสักเท่าไหร่ก็จะไม่รู้รสของแกงว่าเป็นแกงชนิดไหนนี่คือพระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจา้าที่ทรงสามารถแยกแยะสัตว์โลกชนิดต่างๆออกจากกันแล้วก็สั่งสอนตามความเหมาะสมกับ แต่ละชนิดไปกับสัตว์โลกแต่ละชนิดไปผู้ฟังจึงได้รับประโยชน์ทุกขั้นตอนทุกระดับไปนี่คือพระพุทธคุณสามประการด้วยกันคือพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณและพระปัญญาคุณที่พวกเราควรที่จะรำลึกถึงเพื่อที่จะทำให้เรา ได้มีศรัทธาที่จะศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามส่วนพระธรรมคุณนั้นก็มีอยู่หลายประการด้วยกันประการแรกก็คือสวากขาโตภะวตาธมโมธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้นั้นเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำตามความจริงไม่ผิดพลาดจากความจริงเลย บอกว่าสวรรค์มีจริงก็มีจริงนรกมีจริงก็มีจริงบาปบุญมีจริงก็มีจริงตายแล้วต้องเวียนไหวาตายเกิดก็มีจริง ป, ปฏิบัติธรรมก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่ก็เป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้น ึงจะมีมากมายถึง 80,000 สพันพระธรรมขันธ์กระตา่างก็ไม่มีความปลอมอยู่เลยไม่มีของไม่มีคำโกหกอยู่เลยเป็นความจริงล้วนๆนี่คือหนึ่งในพระธรรมคุณขอให้เรามีความมั่นใจได้ว่าการศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจะไม่นำพาเราไปสู่ความล่มจมจะพาเราไปสู่ความเจริญ ถ้าเราไปสู่การหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวประการที่สองกทท็ที่ได้แสดงไว้ว่าเป็นอาการลิโกเป็นธรรมที่ไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่เสื่อมไปกับการกับเวลาถึงแม้พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันไปถึง 2,500 กว่าปีแล้วก็ตามแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ยังเป็นเหมือนกับยาที่ผลิตออกมาใหม่ๆจากโรงงานผู้ใดนำมาไปรับประทานผู้ใดนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้รับผลอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันกับในสมัยพุทธกาลประการต่อมาก็คือสันติโกก็คือผู้ปฏิบัติจะสามารถรู้ได้เห็นได้เองพระทามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ ไม่มีใครที่จะรู้แทนเราได้เห็นแทนเราได้ไม่มีไม่เหมือนไม่เหมือนกับสถานที่ที่ให้คนอื่นเข้าไปดูแล้วถ่ายรูปมาให้เราดูได้ว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นอย่างนี้นะมีรูปร่างอย่างนี้สันติโกนี้ต้องปฏิบัติเองเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะเห็นเองรู้เองเหมือนกับการรับประทานอาหารถ้าเราไม่รับประทานเราจะไม่รู้ว่าอาหารอร่อยหรือไม่ ถ้าเรารับประทานแล้วเราก็จะรู้ฉันใดถ้าเราปฏิบัติเราก็จะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นความสุขเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการทําบุญหรือทำบาปเห็นการดับทุกข์เห็นการเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสตัณหาต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนท่านจึงสัตว์ว่าเป็นสันทติโก และทรงตัดต่อไปว่าเป็นโอปันยิโกคือเป็นธรรมที่เราต้องน้อมเข้ามาสู่ใจน้อมเข้ามาสู่กายน้อมเข้ามาสู่วาจาคือเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราต้องนำเอามาประพฤติปฏิบัติกับกายวาจาใจเบื้องต้นเมื่อได้ยินแล้วก็เอามาคิดในใจต่อวันนี้ได้ยินได้ฟังอะไรบ้างก็นำเอาไปคิดเอาไปพิจารณาดู แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเช่นสอนให้คิดดีพูดดีทำดีก็ลองเอาไปปฏิบัติดีต่อไปนี้จะคิดดีพูดดีทำดีคือไม่คิดร้ายกับใครอย่างนี้ก็เรียกว่าคิดดีมีความเมตตามีความกรุณามีความเสียสละเวลาจะพูดอะไรก็จะพูดแต่สิ่งที่ดีไม่พูดเรื่องเหลวไหลไม่พูดเรื่องที่เกิดความเสียหาย ไม่พูดความเท็จอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าพูดดีแล้วก็จะทำดีเช่นจะทำบุญจะปฏิบัติธรรมจะนั่งสมาธิจะปรองนิจจังทุกขังอนัตตาจะฟังเทศฟังธรรมต่างนี้เรียกว่าเป็นการคิดดีพูดดีทำดีเมื่อทำแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาในใจคือจะมีความสุขมากขึ้น จะมีความทุกข์น้อยลงจะมีความฉลาดมากขึ้นจะมีความโง่เขลาเบาปัญญาน้อยลงไปนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเราน้อมเอาเข้ามาโอปัญิโกดังนั้นขอให้เราล่ลึกถึงพระธรรมคุณแล้วก็น้อมเอาเข้ามาสู่ใจเพื่อนำไปปฏิบัติต่ตอไปและเราก็จะได้สัมผสัสกับผลจะได้เห็นผลของพระพุทธเจา้า ว่าเป็นอากาลิโกจริงๆว่าเป็นสังทิทิโกจริงๆส่วนพระสังฆ ค, คุณนั้นก็มีอยู่สประการด้วยกันคือสุปฏิปนโนอุชุปฏิปนโนยายะปฏิปนโนสามีจิตปฏิปนโนพระอริยสงสาวกของพ่อพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้หมายถึงพระภิกษุ หรือสำ ม, มนเนนหรือนักบวชทั้งหลายแต่หมายถึงผู้ที่มีพระมีสคมคุณทั้งสี่ประการนี้คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบป ฏ, ปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวผู้ใดก็ตามถ้ามีคุณสมบัติทั้งสี่ประการนี้เรียกว่าเป็นพระอริยสงสารวกของพระพุทธเจ้า เป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้เป็นนักบวชก็ได้เป็นฆรวาดก็ได้เป็นเด็กก็ได้เป็นผู้ใหญ่ก็ได้เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศอยู่กับวัยแต่อยู่กับการปฏิบัติทั้งสี่ประการนี้เท่านั้นคือสุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติตรง ยายะปฏิปปโนปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์สามีจิตปฏิปปโนปฏิบัติชอบถ้าผู้ใดมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วผู้นั้นก็คือพระ อ, อริยสงฆ์สาวกซึ่งมีอยู่สี่ระดับด้วยกันคือขั้นที่หนึ่งพระโสดาบัน ขั้นที่สองพระสกิดาคามีขั้นที่สามพระอนาคามีขั้นที่สีพระอระหันต์อานิสงส์ที่ได้จากการบรรลุธรรมขั้นต่างๆก็มีทางนี้เช่นพระสโสดาบันจะมีพบชาติเหลือเพียงเจดชาติเป็นอย่างมากและจะเป็นพบชาติที่เป็นสุกติ คือไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปผู้ที่บรรลุเป็นโสดาบันแล้วจะมีเวียนว่ายตายเกิดไม่เกินเจ็ดชาติแล้วก็จะเวียนว่ายตายเกิดในชาติของมนุษย์ของเทพของผรมเท่านั้นขั้นที่สองคือภระสกิจดาคามียก็จะเหลือพบชาติเพียงชาติเดียวเท่านั้นส่วนพระอนาคามียนี้จะไม่ต้องกลับมาเกิดใน ภพของมนุษย์ภพของเทวดาแต่จะเกิดอยู่ในภพของพรหมแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอารหันต์สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดในลําดับต่อไปส่วนพระอารหันต์นี้ก็จะไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอีกต่อไปจะไม่ต้องจะสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดภพชาตินี้เป็นภพชาติสุดท้าย เช่นพบชาติของพระพุทธเจา้าและพระอรหันตะสาวกทั้งหลายเมื่อท่านตายไปแล้วก็เป็นอนหมดสิ้นไปเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดใหม่ไม่มีอีกต่อไปจบสิ้นแล้วนี่คืออนิสง์ของผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการเกิดพ้นจากความทุกข์ปฏิบัติชอบที่เราเรียกสั้นๆว่าสุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เอง ดังนั้นนี่คือพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณที่เรากราบไหว้บูชามีความเลื่อมใสมีความเคารพเป็นสิ่งที่จะเป็นสมบัติของพวกเราต่อไปถ้าเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจา้า เอาพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายเป็นแบบเป็นฉบับเป็นเยื่องอย่างแล้วต่อไปไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้เป็นอย่างในพระอริยสงอย่างแน่นอนจึงขอให้เรามีความมั่นใจในการดาเนินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนดังที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้มามาปฏิบัติภารกิจ มาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันแล้วไม่ช้าก็เร็ววิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะเป็นผลของเราเป็นเป็นผลที่เราจะได้รับอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอหยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้าการ